ปัญหาที่สิบแปดถามถึงเรื่องสิ่งที่ทำได้ยากของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนสิ่งที่ทำได้ยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำนั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากได้แก่การทรงแสดงซึ่งธรรมอันไม่มีรูปร่างอันมีอยู่ในจิตเจตสิก อันเป็นไปในอารมณ์อันเดียวเหล่านี้ได้ว่าอันนี้เป็นผัสสะอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นเจตนาอันนี้เป็นจิตขอนิมนต์อุปมาด้วยข้อถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งลงเรือไปที่มหาสมุทรวักน้ําขึ้นมาวางไว้ที่ลิ้น ก็รู้ว่านี้เป็นน้ำค้างนี้เป็นน้ำโย ม, มนานี้เป็นน้ำโสฬภูนี้เป็นน้ำอาเจิรวดีนี้เป็นน้ำมหิดังนี้ได้เป็นของง่ายหรือยากละ่ะเป็นของยากพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรการที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่มีในจิตใจที่เป็นอารมณ์อันเดียวกัน ว่านี้เป็นภาษะนี้เป็นเวทนานี้เป็นสัญญานี้เป็นเจตนานี้เป็นจิตดังนี้ยิ่งยากกว่านั้นถูกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้า